สิบแปดอินทรีย์ห้าอินทรีย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันแก่อ่อนไม่เท่ากันถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุเร็วอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ต้องสะสมเอาอินทรีย์มีห้าตัวนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาวิธีสะสมก็คือเจริญสติให้เยอะเอาไว้ถ้าสติดีนะศรัทธามันจะดีขึ้น วิริยะสมาธิปัญญามันจะดีขึ้นเองแต่สติต้องเป็นสัมมาสติที่ถูกต้องถ้าเป็นมิจฉาสติก็ไม่ได้นะอินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าสัมมาสติต้องรู้เนือ้อรู้ตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจไปคำว่าสัมมาสติที่จริงก็คือสติปัตฐานนั่นเองเป็นสติที่รู้กายรู้ใจพอเรารู้กายรู้ใจมากๆนะเราเห็นความจริงของกายของใจไปเรื่อยจนวันหนึ่งได้พระโสดาบันศรัทธาของเราจะเต็ม กว่าศรัท ธ, ธาจะเต็มต้องเป็นพระโสดาบันแนเพราะศรัท ธ, ธาของปุถุชนเป็นศรัท ธ, ธากลับกลอกวันนี้ศรัท ธ, ธาอีกวันหนึ่งไม่ศรัท ธ, ธาอะไรอย่างนี้กลับกลอกแต่พระโสดาบันเจริญสติปัฏฐานมาพอสมควรแล้วเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนามก็รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนของจริงนะธรรมะของจริงเป็นอย่างนี้คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวเราเห็นธรรมะของจริงพระพุทธเจ้าสอนของจริง จิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเข้าถึงความจริงอันนี้ได้คือเป็นพระสงฆ์ได้พระสงฆ์ไม่ต้องบวชนะไม่ต้องทำพิธีบวชหรอกพระสงฆ์แท้ๆเกิดขึ้นเมื่อใจเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมะคือเห็นความจริงแล้วว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราเป็นพระแท้ๆแล้วถ้าบวชเข้ามาก็เรียกว่าเป็นพระสมมุติสมมติติสงส่วนสงฆ์แท้ๆไม่ต้องบวชอยู่ที่เจริญสติจนเข้าใจธรรมะก็เป็นพระสงฆ์ขึ้นมา พอเราเข้าใจแล้วโอ้พระสงฆ์มีจริงๆนะผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วบรรลุธรรมเข้าใจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนมีจริงๆนะพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงพระสงฆ์ก็มีจริงมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจไม่คลอนแคลนอีกแล้วพวกเราวันนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้าอีกวันไปศรัทธาจตุคามจตุคามไม่นานมาพระพิคเนตอีกละต่อไปมันจะปั้นตัวอะไรขึ้นมาไหว้จริงจกสองหางก็ไหว้นะ ตุ๊กแกก็ไหว้รักยมกุมารทองมันเอาหมดแหละฉะนั้นสะท้อนเลยว่าไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกมีที่พึ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรยัยถ้าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่มีที่พึ่งอื่นนะมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งฉะนั้นศรัทธาของเราจะสมบูรณ์ตอนเป็นพระโสดาบันวิริยะของเราก็ยังกระพร่องกระแพรง่งเมื่อวานขยันวันนี้ไม่ขยันวิริยะต้องค่อยสะสมกันนานนะ เป็นพระโสะดาบันแล้วบางวันยังขี้เกียจเลยพระสกิทาคามีบางวันยังขี้เกียจถ้าเป็นพระอนาคามีก็ชักวิริยะเกินไปเหลืออีกนิดเดียวรีบตะลุยเลยให้เรามีสตินะและวิริยะที่พอดีๆจะเกิดขึ้นเพราะทุกครั้งที่มีสตินั่นแหละวิริยะเกิดแล้วคําว่าวิริยะเป็นอย่างไรวิริยะก็คือเพียรละอกุศลที่มีอยู่แล้วเพียนปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียนเจริญกุศลให้เกิดขึ้นมา กุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดบ่อยๆให้งอกงามไพบูรณ์อันนี้เรียกว่าวิริยะวิริยะไม่ใช่แปลว่าเดินทนวิริยะไม่ได้แปลว่านั่งทนนั่งทนเดินทนอันนั้นอาศัยธรรมะความโคมใจอาศัยขันติวิริยะที่แท้จริงเกิดจากการมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองทันทีที่มีสติอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้กุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นมา ตอนที่ขาดสติอยู่ก็ไม่มีกุศลตอนที่มีสติก็มีกุศลพอเคยมีสติแล้วต่อไปสติเกิดบ่อยๆศีล ส, สมาธิปัญญาแก่รอบขึ้นเรื่อยๆสติงอกงามไพบูรย์ขึ้นทำให้กุศลงอกงามไพบูรย์ขึ้นนี่อาศัยมีสตินะก็ทำให้มีศรัทธามากขึ้นแน่นแฟน้นมีวิยะสมาธิก็จะเกิดขึ้นถ้ามีสติที่แท้จริงถ้าเป็นมิจฉาสติก็ได้มิจฉาสมาธิมิจฉาสติ เช่นรู้ท้องผ่องยุบแล้วเพ่งอยู่ที่ท้องใจนิ่งๆิ่งทื่อๆหรือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าไปเรื่อยๆใจนิ่งๆิ่งทื่อทเพ่งไปเรื่อยในที่สุดเกิดปิติขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวใหญ่มีหลายแบบเกิดขนลุกสู้ซาเกิดรู้สึกเหมือนฟ้าแลบบูบบุบวับวั บ, วบพวกนั้นยังไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธิหรือบางคนภาวนาแล้วขาสติ เคลิมลืมเนื้อลืมตัวชอบกันมากนะนั่งสมาธิแล้วเคลิมเนี่ยฝึกอะไรฝึกโมหะฝึกโลภะไม่ได้ฝึกสติอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยพอมีสติแล้วศรัทธาก็เพิ่มขึ้นมีสติแล้วใจก็จะตั้งมัน่นที่เรานั่งภาวนาแล้วเคลิมงอกแง่ายๆเป็นเพราะขาดสติสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อฉะนั้นต้องมีสติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัว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 ไม่สัมผัสกันอย่างนี้เรียกว่าใจเราตั้งมั่นอยู่อะไรๆเกิดขึ้นในกายในใจเราก็เห็นทั้งกายทั้งใจเขาทำงานของเขาไปเรื่อยใจมันอยู่ตั้งหากใจมันตั้งมั่นอย่างนี้เรียกว่ามีสมาสมาธิใจมันตั้งมั่นอยู่ถ้าใจไม่ตั้งมั่นใจก็จะไหลไหลไปไหนไหลไปรวมกับกายไหลไปรวมอยู่กับเวทนาไหลไปรวมอยู่กับสังขารจิตสังขารในใจเรา ไหลไปรวมกับความว่างว่างหรือบางทีก็ไหลออกนอกไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนี่เรียกว่าใจมันไม่ตั้งมั่นใจเราจะแฉลบซ้ายแฉลบขวาอยู่ทั้งวันนะค่อยฝึกนะฝึกไปช่วงหนึ่งจะมองเห็นใจจะแฉลบไปแฉลบมาตลอดเวลาเดี๋ยวแฉลบไ ป, ด, ด, บไ ป, ด, บไปดูเดี๋ยวแฉลบไปฟังเดี๋ยวแฉลบไปคิดเดี๋ยวแฉลบไปเพ่งมีสารพัดรูปแบบนี่ใจมันไม่มีสัมมาสมาธิ ถ้ามีสตินะใจหลงไปคิดรู้ทันว่าใจหลงไปคิดใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งได้แวบเดียวนะเดี๋ยวก็ไหลอีกทีนี้พอไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้มันก็จะตั้งมั่นอยู่ได้นานมันจะเหมือนตั้งได้ต่อเนื่องความจริงไม่ได้ตั้งต่อเนื่องหรอกจิตที่ตั้งมั่นก็เกิดดับทีละขณะเหมือนกับจิตชนิดอื่นนั่นแหละแต่มันเกิดบ่อยเกิดบ่อยจนเหมือนมันอยู่ได้นาน พอหยุดได้อย่างนี้เรื่อยๆบางทีสติไประลึกรู้กายบางทีสติไประลึกรู้ใจจงใจระลึกไม่ได้มันระลึกของมันเองเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตพอรู้มากๆมันจะเห็นความจริงเออกายเมื่อกี้นี้อย่างนี้กายตอนนี้อย่างนี้จิตตะกี้อย่างนี้จิตเดี๋ยวนี้อย่างนี้เห็นไม่เหมือนกันหรือเห็นว่ากายในปัจจุบันนี้ที่เรามองอยู่มันของถูกรู้ถูกดูจิตที่เราตามรู้ตามดูนี่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 เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาไม่ใช่ต้องทำแยกเป็นตัวตัวนะยกเว้นสมาธิสมาธิบางทีเราจเจริญสตินานๆไปสมาธิมันตกได้เหมือนกันอย่างนั้นต้องพักผ่อนจิตใจบ้างทำสมาธาได้ก็ทำถ้าทำสมาธไม่เป็นก็ให้รู้ทันเอาว่าจิตมันไหลไปข้างนอกแล้วไปแช่อยู่ข้างนอกนิ่งๆแล้วถ้าจิตยังมีแรงอยู่นะมันจะไหลแวบไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมานี่ยังมีแรงอยู่ ถ้าไหลไปแวบแล้วไปนอนนิ่งๆอยู่ข้างนอกนะส่วนใหญ่ไปนอนแช่อยู่ข้างหน้านั่นนะ่ะมันหมดแรงแล้วนั่นหมดแรงอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือไปหลงเพลินในความสุขเสียแล้วมีสองแบบนะที่ไหลไปแช่อยู่ข้างหน้าอันหนึ่งเพราะว่าหมดเรีย่ยวหมดแรงที่จะรู้สึกตัวใจไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นอีกอย่างหนึ่งมันไปเพลินในความสุขไปนอนแช่นิ่งๆอยู่ทีแรกใจมันไม่มีแรงก่อนนะแล้วเลยไหลไปอยู่ข้างหน้า แล้วนอนนิ่งๆพอนอนนิ่งๆรู้สึกเอ๊ะสบายดีนี่หว่าเลยชอบเลยคราวนี้เลยติดอยู่ข้างหน้ากลับเข้าบ้านไม่ได้แล้วไปนอนอยู่หน้าบ้าน ค, คล้ายๆนอนอยู่ในบ้านนานเบื่อแล้วออกไปนอนเล่นหน้าบ้านท้องฟ้าปลอดโปร่งดาวสวยนอนไปนอนมาเพลินเลยไม่เข้าบ้านกลายเป็นพวกเร่ร่อนจรจัดไปแล้วเพราะใจมันไม่ตั้งมั่นคอยสังเกตเอาส่วนอย่างอื่นนะมีศรัทธาวิริยะอะไรเนี่ย